ท่านสาธุรชนทั้งหลายสำหรับเทพตอนนี้ก็ขอย้อนไปถึงเรื่องโดยเสด็จพระราชกุศลต่อทั้งนี้เพราะว่าเมื่อวันที่21สิงหาคม2555 พ, พูดไปไม่ทันจบก็พอดีหมดเวลาพูดแล วันนี้เป็นวันที่ย2สิสองสิงหาคมสองพันรสิห้าขอพูดต่อตอนนั้นไปหยุดอยู่ตอนที่ว่าพระองค์ทรงสรงคราบรรดาประชาชนทั้งหลายให้มีความเป็นอยู่เป็นสุขนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ให้กินอิ่มอย่างเดียวไม่กินหมดไปให้กินหมดไปก็ให้ด้วย ก็ให้ก่อตั้งฐานะก็ให้ด้วยให้ตั้งตัวได้แม้จะเป็นมีที่เพียงสองไร่ก็สามารถจะทดลองตนได้มีฐานะมีะไรายได้ปีละเป็นหมื่นบาทการให้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นการให้ที่มีการส่งตัวคณนะพวกเราเองไม่สามารถจะทําได้ แต่ในเมื่อเราทำไม่ได้ท่านทำได้เราก็เอาเงินของเราไปซึ่งไปส่วนเล็กน้อยไปรวมกับท่านถ้าทุกคนเห็นว่าเงินส่วนเล็กน้อยที่มีอยู่กับตนไม่สามารถจะทำได้แต่ทุกคนต่างช่วยต่างต่างรวมตัวเข้าไปเงินจานวนนี้ก็จะเป็นเงินจานวนมากจะช่วยส่งเสริมทุนของท่านที่มีอยู่แล้ว ถ้าได้มาจากที่อื่นก็จะเป็นเงินมากขึ้นก็จะสามารถช่วยคนได้มากขึ้นตอนนี้ว่ากันถึงการช่วยอันนี้เรื่องของพระพูดก็ต้องพูดต้งอานในสงฆ์อานในสง์ในการช่วยคนช่วยสัตว์จะมีผลเป็นยังไงอย่าลืมว่าสัตว์คือปลาเป็นต้น ปลาเปเครื่องประดับเขาไม่น้ําน้ําใสที่ไหนถ้าไม่มีปลาก็ไม่เป็นสดชื่นแต่น้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาปลาแหวกว่ายมาในกระแสน้ําเราก็ยังมีความชื่นใจข้อนี้ชั้นใดความสดชื่นที่เรามีอยู่ก็ใช้ความเมตตาของเราเป็ส่วนผสมปลาจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นศข แระการต่อไปการช่วยคนในเมื่อช่วยให้เขาอิ่มเจ้เสินสมเด็จทรมราชินีนาถพระเดชไปทางภาคอีสานทรงช่วยทรงพระมอบเงินให้เป็นบางส่วนแก่คนที่ยากจนแล้วก็ช่วยทรงคระแนะนำในเรื่องของอาชีพให้มีการทรงตัวได้ อย่างนี้ทำเป็นกลุ่มคือคนส่วนใหญ่ในสัรพภาษาพระเขาเรียกว่าสังฆทานคำว่าสังฆะนี่แปลว่าหมู่ให้กับคนที่เป็นหมู่ใหญ่หมู่เล็กเป็นหมู่และคนกรรงความว่าถ้าคนส่วนมากเขามีความสุขคนส่วนมากมีฐานะดีดีพอสมควร เขากินอิ่มเขานอนหลับแล้วก็ถือว่าเงินของเรามีส่วนถ้าว่าให้ทําให้คนนั้นไหลเรานั้นกินอิ่มเรนอนหลับเขามีความสุขกายสุขใจเราก็มีความสุขกายสุขใจไปด้วยเพราะเรามีส่วนช่วยเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเงินเล็กน้อยบาทสองบาทสามบาทก็ตามทีถ้าช่วยกันมากคนก็เป็นเงินหลายบาทแล้วต่อไปบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนนั้นไหล คนทัาหลายเหล่านั้นเขาไม่ใช่นักบาปอย่างเดียวคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นนักบุญที่นักเถรพุรทธศาสนาถ้าเขานาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นไปถวายพระเช่นหุงข้าวใส่บาทมีต้มมีแกงหรือนํานำปัจจัยบางส่วนไปถวายพระก็ชื่อว่าเป็นสังฆทานโดยโตรง คำว่าสังฆทานไม่มี อ, อนิสงส์มากตามที่พระผู้มีพระเจ้าสงทัดว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระพระุทธกระสบทันเทิดว่าบุาคคลใดให้ทานในตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นตายแล้วจากชาตินี้เกิดประชาติใหม่จะเป็นคนมีความร่ำรวยมากแต่ไม่มีพวกพ้อง บุคคนใดทาบุญได้ไม่ทำบุญได้ตนเองแต่ชอบชวนคนอื่นไงพวกทายกพวกทายกน่ะส่วนใหญ่ไม่เคยทำบุญนักแต่ที่ท่านทำบุญมากก็มีนะไม่ใช่ทุกคนชอบบอกบุญกิดชาวบ้านให้เขาทำบุญกันแต่ตัวเองไม่ทำถ้าอย่างนี้ตายจะชาตินี้ไปแล้วเพื่อเกิดชาติใหม่จะเป็นคนจน แต่ว่ามีพักพวกมากพออาศัยได้บุคคลใดทำบุญด้วยตนเองด้วยชักชวนบุคคลอื่นด้วยทำบุญร่วมกันตายแล้วจากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่จะเป็นคนร่ำรวยด้วยจะมีพักพวกมากด้วยบุคคลใดไม่ทำบุญไม่ให้ทานเลยท่านก็ไม่ชวนใครให้ทานด้วย ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะยากจนเข้นใจไร้พวกผลไร้พวกธนับนุนไรพวกของไร้คนของเคราะห์ตัวอย่างในธรรมบทคืออนันตเศรษฐีอานันตเศรษฐีคนนี้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าคือนขณะที่พรเจ้าสมุทรอภิเศกส ม, ม า, านธรมโพธิญาณแล้วเขาก็มีลูกแล้วลูกก็เป็นหนุ่มแล้ว ว่าเป็นผู้ใหญ่อานันตเศรษฐีคนนี้มีทรัพย์ประมาณแปดสิบโกดเจ้าว่าจิตใจของเขามีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ได้มาทั้งหมดปู่ย่าตาทวดของเขาพ่อแม่ของเขาเป็นคนหามาไม่ใช่ชาวบ้านให้มา เมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วก็สอนลูกชายของเขาว่าเงินทั้งหมดประมาณสี่สิบกดหรือแปดสิบกดนี่จงอย่าทำการจ่ายอย่าให้กับใครทั้งหมดทั้งหมายความว่าไม่มีการให้ทานทรัพย์สมบัติทั้งหลายจงอย่าใช้อย่าให้แต่ว่าจงหาทรัพย์มาใหม่เพิ่มเติมให้มันมากขึ้น ข้อทรัย์ทั้งหลายที่เราได้มาไม่มีใครให้เราพุย่าตาทวดสะสมไว้แล้วเราก็ทําเสริมขึ้นแล้ลูกชายเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่อันนี้ไม่ทราบทางบาลีไม่ได้บอกไว้แต่ถ้ว่าตัวเขาเองไม่ทําแน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระชินวรวคือพระพุทธเจ้าเดินบปฏิบาติผ่านบ้านเขาไม่รู้สึกครั้งกี่ครั้ง เขาก็ไม่เคยแม้จตใส่บาตเหนียวขนาดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลังจากนั้นไม่ช้านักชีพขึ้นคนที่พระเจ้าทรงตรัว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเขาก็ตายจากความเป็นคนอาศัยที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ทําบาปเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เขาไม่ได้ลักทรัพย์เขาไม่ไปพูดผิดปนะกามเขาไม่พูดภาษาว่ายเขาไม่ดื่มโซดาดื่มอะไรแต่ว่าเขาไม่ให้ทานความดีไม่ปรากฏก็หมายความว่าศีลทั้งหมดเขาไม่เคยรักษาถึงแม้จะปฏิบัติได้อย่างนั้นก็เป็นการปฏิบัติแบบโดดเดี่ยว ไม่ตั้งใจรักษาศีลไม่ตั้งใจให้ทานก <c oughs> ำทั้งหลายที่นำเขาไปสวรรค์ก็ดีบรรลุก็ดีจึงไม่มีมีอย่างเดียวที่เขาต้องเกิดเป็นคุณใหม่ตอนนี้ในเมื่อเขาออกชีวิตออกจากร่างแล้วก็ไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือกลุ่มคนขอทาน กลุ่มคนขอทานมีหญิงอยู่ด้วยเขาเข้าสู่คันของหญิงผู้ขอทานนั้นแต่ผลของการไหม้ทางของเขาปรากฏทันทีในเมื่อเด็กเข้าสู่บริสุทที่ในคันของมารดาปรากฏว่าคณะขอทานทั้งหมดที่เคยขอทานร่วมกันไปไหนก็ไปร่วมกันวันนั้นทั้งวันไม่ได้อะไรเลย มาวันที่สองก็เป็นอย่างนั้นวันที่สามก็เป็นอย่างนั้นเร่หัวทานคนที่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ก็ต้องมีหัวหน้าหัวหน้าขอทานยิงมาปรึกษากันว่าคนกาละกนันีคนจะเกิดขึ้นกับเราแล้วคงจะมีปรากฏในหมู่ของเราแล้วเราเคยขอทานเราเคยได้เคยเหลือใช้เหลือสอยแต่ถ้าว่าสามวันนี้ไม่ได้อะไรเลย เขาจึงแบ่งคนขอทานออกเป็นสองพวกแยกสถานที่เรื่องขอทานพวกไหนที่แม่ของเด็กที่เด็กอยู่ในคันไปด้วยเพนั้นไม่ได้ของเขาจึงพยายามแบ่งๆๆปฏิสุทสุดแบ่งเป็นส่วนบุคคลไปสายและคนไม่รวมกันพวกคนเขาได้หมดแต่แม่ของเด็กไม่ได้เขายังทราบว่าเด็กในคันนี้เป็นเด็กกราเดียนดี การจะทุบจะตีแม่จะไล่แม่ก็เป็นของไม่ถูกเพระแม่ไม่จะตามแม่จะบอกให้เขามาเกิดจึงให้แม่คองเด็กอยู่กับในบสถานที่อย่างเดียวขอทานทั้งหมดถามมาเลี้ยงให้สงเคราะห์ต่อมาเมื่อเด็กในครคลอดแล้ววันไหนไปขอทานถ้าแม่เอาลูกไปด้วยวันนั้นไม่มีคนให้ทาน ถ้าวันไหนไม่ได้รูปไปด้วยวันนั้นมีคุณให้ทานแต่เด็กที่เกิดมาบรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยเที่ยว ข, ขายความดีตามพระบาลีบอกว่ารูปร่างเหมือนพิสัทยทุกฝุ่นไอคงว่าพิสัยก็แย่อยู่แล้วแถมทุกฝุ่นอีกด้วยแต่ใต่อมาบางครั้งแม่จะให้เด็กไปขอทานก็ขอไม่ได้ ยังให้ได้ลูกอยู่บ้านตัวไปขอทานแต่ผู้ดเดียว <c oughs> ตอเมื่อโตขึ้นมาแล้วอาย 1, ปุประมาณหกเจ็ดปีเห็นจะได้โดยประมาณบาลีไม่ได้บอกแม่จังเอาภาชนะเก่าๆสำหรับขอทานใส่มือให้ว่าเจ้าจงไปตามยถากรรมของท่านของเธอแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้ เจ้ามาจากไหนก็จงไปที่นั่นตอนนี้อาศัยที่เขาเกิดจากเข้าตายจากความเป็นคนแล้วเกิดจากเขาก็เกิดเป็นคน เ, เหมือนกับคนหลับแล้วตื่นก็ยำนึกขึ้นมาได้ว่า บ, บ้านของเราอยู่เมือโ น, น้นเราเคยเป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าอนันตเศรษฐีเรามีทรัพย์สมบัติแปสิบโกด ถ้ามีทรัพย์สินต่างๆีงๆนฝังใต้ดินถ้าลูกชายยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมรู้ไม่อยู่เขาจึงตั้งใจเดินตรงไปบ้านของเขานี่ยเขากออกอย่าลืมนบรดาธรรมพุทธบริษัทคนที่นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานี่มันนึกอะไรออกหมดอย่างคนตายจากความเป็นคนเกิดเป็นคนก็นึกท่าก่อนเลือกท่ก่อนออก เหมือนคนตื่นจากความหลับซึ่งมาเป็นของไม่หนักอย่างนี้เป็นของอัศจรรย์ก็เป็นทว่าเขาตั้งใจไปบ่ายเขาเขาเดินไปทั้งกลางวันและกลางคืนก็พอดีตอนเช้าสายนิดหน่อยไม่สายมากนักประมาณโมงเช้า เขาก็ไปถึงบ้านของเขาเขาก็ตั้งใจจะเข้าบ้านแต่นายประตูไม่ยอมให้เขา้าเขาก็อยากเขา้านายประตูก็ไม่ยอมให้เขา้านายประตูผลักไปผลักมาผลักไล่ใส่ส่งเขาก็ไม่ยอมไปเขาบอกบ้านนี้เป็นบ้านของกูนายประตูจะเชื่อได้ยังไงนี่เมื่อเขาเป็นเด็กแล้ารูปร่างเหมือนเป็นศาสร์คลกฝุน เขาบอกว่าเขาชื่ออานันตเศรษฐีนายประตูก็บอกว่าอานันตเสรษฐีตายไปแล้วแกไม่ใช่แน่ก็เป็นอนุว่าเข้าไม่ได้ก็พอดีพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอ น, นุนเดินไปบิณบาตพอดีไปเห็นเข้าอย่างนั้นองคง์สมเด็จพระจินดาศีแต่กับพระอ น, นุว่าอนันท์ดูก่อนอ น, นุนเธอเห็น อ, อนันตเศรษฐีไหม ถ้านน์มองดูก็มองไม่เห็นเพราะนนท์ท่านรู้จักพระเจ้าก็บอกว่าเด็กคนนั้นยังไง เ, าเราคืออนันตเศรษฐีเขาตายจากความเป็นคนเขาไม่เกิดเป็นคนเป็นลูกเขาทานอาศัยที่ไม่เคยแบ่งปันทรัพย์สินให้กับใครเลยเขายังกลายเป็นเด็กรูปร่างมันไม่สาคุกฝุ่นเพราขาดเมตตาไอ้รูปร่างนี่นจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่เมตตาบารมี ถ้าเมตตาบารมีมีมากก็สวยมากเมตตาบารมีมีน้อยก็สวยน้อยในเมื่อขาดเมตตาบารมีเขาจึงรูปร่างเหมือนไม่ใสครู้ฝุนท่านโคดจ้าจึงบอกกับนายประตูบอกว่าหยุดก่อนจะเพิ่งไล่เด็กให้เด่กกินเฉยๆก่อนแล้วก็บอกกับนายประตูบอกว่าเธอจงเรียกมหาเศรษฐีลูกชายนันเสรษีลูกมาในที่ เขาก็ไปตามลงมาในเมื่อท่านมหาเศรษฐีหนุ่มลงมาแล้วท่านกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโพบุริษะดูก่อนมรุภูเจริญชายคนนี้เด็กคนนี้คือบิดาของเจ้าเทืออนันตเศรษฐีเขาฟังพระพุทธเจ้าพูดเขาก็งงเขาบอกว่าพ่อเขาตายไปแล้วครับ พระพุทธจ้ายังบอกว่านั่นล่ะสิขอเธอตายไปแล้วจึงเป็นลูกขอทานเพราะกายคันให้ทานการกุศลคนก็ไม่ให้พระก็ไม่ให้สัตว์ก็ไม่ให้หมาก็ไม่เลี้ยงแมวก็ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงทั้งหมดมันเปลืองทรัพย์สินผลที่เขาจะเพิ่งได้รับก็คือว่าขายคนเมตตาปราณีเมื่อเข้าท้องแม่ไปอยู่ไปหาแม่ไปขอทานก็ไม่ได้ คนก็ไม่ได้ตอนนี้มาตนใหญ่แล้วแม่ไม่เลี้ยงไล่ส่งกลับเขาก็ลึกชาติได้เดืนชาติก็ตั้งใจจะมาบ้านลูกชายเขาฟังก็งงเขาก็เชื่อไม่กันพระพระเจ้าพูดแต่ไม่แน่ใจ องพ่อเขาตายประมาณถึงเจ็ดปีทำไมเด็กคนนี้จะมาเป็นพ่อของเขาในที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนันตเสรษีเด็กก็หันม า, าท่านยังจำได้ไหมว่าทรัพย์สินส่วนใดที่ฝังไว้ใต้ดินที่ลูกชายของเธอไม่รู้มีไหมอนันตเสรษีเด็กก็บอกว่ามีถ้าอย่างนั้นจงนำคนไปขุด ก็เลยบอกลูกช้เขาใ ห, ให้บอกเจ้าหน้าที่คือคนรักใช้ให้นาจอบนำเสียมไปเขาก็เดินนำหน้าเขาชี้ตรงตรงนี้บอตุ่มเงินพ่อฝังไว้หนึ่งตุ่มเขาก็ขุดกันได้ตุ่มเงินจริงๆไปชี่ตรงตรงนี้ตุ่มทองพ่อฝังไว้หนึ่งตุ่มเขาขุดก็พบจริงๆ ทุ่มที่ตรงนี้เป็นที่ฝังเพชรนินจินดาขึ้นประดับเข้ากคตลงไปก็ได้ก็เป็นอนุญาตลูกชายก็เลยเลยยอมรับว่าคนนี้เป็นพ่อจริงก็รับเลี้ยงไว้แดูอาศัยพระพุทธเจ้านี่ระบรดดาท่านพุทธวิษัททั้งหลายการให้ทานเมริสอง์อย่างนี้คือก็โทษการไม่ให้ทานเมริสอง์อย่างนี้ แต่การให้ทานจริงๆเมียนสงใหญ่ตูวตัวอย่างท่านเป็นกะเสถีจะขอนําเรื่องโบราณมาพูดให้ฟังแต่ประเดี๋ยวก่อนเว้นไว้ก่อนก็การให้ทานากับคนที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวกัสมเด็จพระกรมราชินีนาฏทําอย่างนี้เป็นการให้ทานตลอดการตลอดสมัยเขาจะมีชีวิตทรงตัวอยู่ได้ถ้าทรัพย์สมบัติส่วนใดที่เขานาไปถาไวายพระ จัดว่าเป็นสังฆทานเรียกว่าสังฆทานทั่วประเทศเป็นสังฆทานตลอดกาลเขาทําบุญเมื่อไหร่เราก็ได้เหมือนั้นที่บรรทานใหญ่นะตอนนี้ก็มาดูกฎข้องกรรมของคนที่จนแ ต, แต่ให้ทานเป็นขอนําเรื่องสมัยโบราณที่เราคุยกันแต่หาตามบารีก็ไม่พบถ้าตามบารีอัตมาก็ไม่ค่ยได้หานัก ไม่มีตำราค้นคว้าบาลีก็วม่า่อยจะรู้เพราะรู้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองเอาตามคนเก่าๆพระเก่าๆ ท, ที่ท่านเทศท่านบอกว่ามีครอบครัวครอบครหนึ่งสองคนตายยายเป็นคนแก่ทั้งคู่ยากจนมากบ้านอยู่ใกล้วัดแต่ถ้าว่าไม่มีโอกาสจะทำบุญ คอามจีงบ้านติดรั้ววัดจะไม่มีโอกาสทําบุญทั้งนี้ไม่ใช่ขี้เหนียวยาหนาเสถียเป็นเพราะไม่มีของจะทําบุญตอนเช้าเป็นคนจนก็ต้องไปทํางานรับจ้างเมื่อได้เงินได้ทอมาบ้างก็มาซื้อกินอนาเจ้าท่าดัคนนอนตอนเช้าก็ต้องไป เ, เงินรับจ้างมันก็เล็กน้อยไม่เหลือกินวันก็หมดจะหาเช้ากินขําหาช่ํากินข้าวหาข้ามกินเช้า นี่ต่อมาเขาสร้างไว้กันก็อยากจะช่วย เ, เขาสร้างแต่วันว่างมันก็ไม่มีต้องรับจ้างเขากินก็น่าเห็นใจธรรดาจักพุทธบริษัททั้งหลายเขามีศรัทธามาตอนตอนท้ายที่สุดเขาสร้างวัดสร็จเขาก็สร้างซ่วมเขาขุดหลุมเพื่อพระเทาจรละลงหลุมตอนนั้นเวลากลางคืน ปรากฏสองตายหญ่มาปาระสานกันวัดเขาสร้างข้างบ้านเราแต่เราไม่มีโอกาสที่จะทําช่วยทำวัดแม้แต่งานการก็ไม่สามารถจะช่วยทําเราไม่มีโอกาสจะทําบุญเลยแต่ว่าเวลานี้เรามีทองคําอยู่แผ่นหนึ่งคือทองคําเปลวมันบางเท่าปีกลิ้นตามบารีเท่าไหร่อย่างนั้นนะคือคือทองคําเปลวตั้งใจจะทําบุญจะทําบุญแบบไหนดี จะไปปิดที่พระก็มองไม่เห็นเท่าพระรูปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสองคนตายายปรึกษากันเราท้องนี่ไปปิดก้นหลุมที่พระถ่ายอจาระเป็นการบูชาพระตตรัตรตรัยตัดสินใจและตอนกลางคืนเขาไปตามนั้นแล้วกลับมารับจ้างทำงานต่อไปก็รวมความว่าวันนั้นเขาได้ทดําบุญก็มีความเพลิดมใจมาก ถ้า ต, ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักคนสองคนก็ต้องตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่บนสวรรค์ชั้นดาวเดิงสถิวโลกที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าตายโสดพระพุทธเจ้าท่านบอกไปโสูนี่พระเจ้าทรงจัดหลังจากนั้นมาในเมื่อหมดอายุจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดเกิดเป็นลูกในตระกูลเศรษฐีตอนนี้ อย่าลืมว่าทองคำเปลวแผ่นเดียวในบรรดาญาโยพุทธบริษัทเอาไปปิดก้นสวมก็าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าตายจากเทวดาและนางฟ้าแล้วมาเกิดเป็นคนมาเกิดเดนตระกูลของมหาเศรษฐีสามีก็มาเป็นสามีปัญญาก็มาเป็นปัญญา ตอนนี้อาศัยที่จิตใจของท่านทั้งสองเป็นนักบุญท่านนั่นชช่ก่อนแต่ว่าไม่มีโอกาสทำบุญเมื่อเวลาถึงปีทำนาได้ได้ข้าวมากท่านจะเก็บไว้กินเพื่อสามปีโดยคิดว่าเผื่อว่าทำนาจะไม่ได้อีกให้คนรับใช้ในบ้านก็มากตัวท่านเองก็ต้องกินต้องใช้ต้องเก็บไว้กินสมมติปีหนึ่งกินหนึ่งเกวีน ถ้าปีหนึ่งทํำข้าวได้เก็บไป้สามเกวียนเก็บไว้เผื่อว่าปีหน้าปีนู้นมันไม่ได้ข้าวจะได้กินกันมาบังเอิญไต่การในครั้งนั้นปรากฏว่าเกิดฝนเข้าเข้ายากหมอกแพงฝนแล้วไม่ตรงต้องตามฤดูกาลเขาทํานากันไม่ได้บ้านทุกบ้านอดท่านทำยังไงบ้านอื่นงเขาอดแต่บ้านท่านมีกิน จิตใจท่านก็ทนไม่ไหวก็แจกข้าวเท่าที่มีอยู่ใครไม่มีข้าวมาเมาข้าวใครไม่มีข้าวมาเมาข้าวก็แจกไปแจกไปแจกจนหมดหมดยุ่งหมดฉางที่เรากันไม่เพื่อกินก่อนแล้วเมื่อคนมาขอข้าวมีความสงสารให้จนหมดก็จึงไปนําข้าวที่ผสมกับดิบเหนียวที่ยาฉางยายาชุ่มไว้มามาขยางกับน้ํา บอกทาน ก, กรรมกรทัานหลายพราว่าทุกคนเป็นอิสระหมดความเป็นทาสต่างคนต่างไปเถอะหากินตามสบายใจอยู่ก็ฉันอดตายแน่ไม่มีจะกินแล้วแ้่ก็มีทาสอยู่คนหนึ่งเชื่อในบุญไม่ยอมไปว่าเจ้านายอยู่ที่ไหนผมจะอยู่ที่นั่นเพื่อมีเมื่อตายก็ตายด้วยกันอดก็อดด้วยกัน <c oughs> เป็นอ น, นว่า ในวันหนึ่งท่านธรรมดามหาเศรษฐีต้องเฝ้าเป็มหากษัตริย์อย่าวคนดนางทั้งหลายวันหนึ่งเมื่อเข้าไปในเฝ้ากษัตริย์แล้วไอ้ข้าวจะมันเหลืออีกวันเดียวเท่านั้นจะต้องกินกลับมาจากเฝ้าพ ร, ระมหากษัตริย์ก็ถามพันยาว่าข้าวมีไหมพันญาบอกข้าวมีแต่ถ้าหุงกินได้วันนี้วันเดียวหมดถ้าต้มกินได้สองวันหมด หมดแล้วก็หมดเลยท่านมหาเศรษฐีก็ตัดสินใจว่าเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อมันจะตายพระอดก็ให้มันตายไปเถอะวันนี้เรากินให้อิ่มหูก็แล้วกันเมื่อหูข้าวเสร็จเจ้าปราโกรธตั้งใจอยากกินวันนั้นมาเอิญพระพเจ้าพุทเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติที่เขาคันธมาศท่านก็ดูพระก็ท่าทราบว่าถ้ามาที่บ้านนี้จะได้ข้าวฉันเจ้งเขามาจากเขาคันธมาศแล้วก็ลงเดิน ไม่ย็นรับบาตรถ้ามาหาเศรีเห็นข้าวเขาคิดว่าเขาคิดในใจว่าเพราะอาศัยเราเรามีกับเปเรามีข้าวอยู่อิ่มเดียวถ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายกินวันนี้ผู้นี้ตายทําบุญดีกว่าก็ทําทบุญทั้งหมดคนเราละ ล, ะละัดเวลาจะหมดอีู่แล้วในเมื่อทําบุญไปหมดแล้วใส่บาตรหมดแล้วก็อธิษฐานว่าทําใดที่ผู้มิจเจ้าเห็นแล้วข้ามเาห็นทำนั้นได้เถิด ถ้าอีิฐานให้เกิดเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้ากันใหม่เขาจะย่อนะเมื่อพระบัจเจพระเจ้าไปแล้วท่านสมหาจิิก็หิวทำพัญญายายไอ้ข้าวติด ก, ก้นหม้อมันมีไ้เอาน้ำคุกๆมาฉันกินหน่อยก็ได้ใช้ได้ก็สิชื่นใจยายก็เข้าไปครูก็แปลกใจเห็งข้าวถุกเต็มหม้อแกงเต็มหม้อ เขาเรียกทุกคนมากินกินเท่าไหรมันก็ไม่ยอมยุเพระสุก็เรียกชาวบ้านใกล้เคียงมาตักข้าวสุกแจกให้ตักแกงแจกให้เท่าไรก็ไม่ยอมยุบก็แจกกระทั่งตำบลหลายๆลตำบลต่างคนก็ตามมารับกันก็แจกกันอย่างหนักไม่ยอมหมดเมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดา ล, ลงมาใหม่เขานี้มาเกิดเป็นลูกคนชาวป่า พอเด็กเข้าคันเช้าพ่อตื่นขึ้นมาแต่เช้านอนไม้รอบบ้านมันกลเป็นทองคําทั้งหมดพะลูกออกมาก็มีแพรทองคํำหลายร้อยตัวโตเตาท่างสารอ้าปากมีสายไหมในปากดึงต้องการเงินดึงออกมามเงินจะไหลต้องการทองทองใ่ต้องการเพชรเพชจะไหลก็ลงความว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เพราะกาศให้ทานอรกันดาญาโยมพุทวยสัตว์ทุกท่านคนข้องกรรมเ ร, รมาเล่าเพียงเท่านี้พวกเวลามันหมด ขอความสุขสวัสดิ์ิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ ม, มหาชนทั้งหลายทีรบฟังทุกท่านสวัสดี